ปฏิบัติเอาดีดีกว่าเอาฤทธ์ผลของสมาธิคือเรามีพลังจิตสามารถทํางานได้อย่างคล่องตัวทําได้ตามความตั้งใจด้วยความแน่วแน่ไม่จับจดผลอื่นๆที่จะพึงได้สิ่งใดที่มันจะเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยเราจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแต่ไม่ใช่กลัวแบบชนิดที่ว่าเกิดเป็นทุกข์เดือดร้อน จะทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามมันรู้สึกอายใจตัวเองแล้วก็กลัวผลบาปมันจะให้ผลอะไรทำนองเนี้ยมันจะเกิดขึ้นของมันเองผลทางการปฏิบัติธรรมเนี่ยฮิริความละอายบาปโอตับปะความกลัวบาปจะปรากฏขึ้นบางทีเราคิดอยากจะนอกใจลูกเมียขึ้นมาอายอายตัวเองถ้าเมียรู้อายเมีย แล้วเรากลัวบาปนั่นคือเราเตือนตัวเราเองเมื่อเราสามารถเตือนตัวเราเองไม่คอยแต่ให้คนอื่นเตือนเรานั่นเรียกว่าอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอัตโนโจทยัตตานางเตือนตนด้วยตนเองและถ้ารายได้ของครอบครัวเรามีอยู่ขนาดนี้เมื่อก่อนมันไม่พอกินพอใช้ พอเราปฏิบัติสมาธิเก่งแล้วจิตมันจะจัดสรรรายรับรายจ่ายให้พอเหมาะพอดีอันนี้จึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติได้ผลถ้าใครปฏิบัติทมและเอาคุณธรรมไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบันได้ดีนั่นเป็นคนปฏิบัติเก่งที่สุดในโลกไม่จำเป็นต้องมีฤทธิ์มีเดชฤทธิ์ก็คือเรานั่นแหละ เราสามารถทำงานได้ถูกต้องและสำเร็จตามประสงค์นั่นคือฤทธิ์ไอฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศเอามาทำไมอยากเหาะจะไปยากอะไรซื้อตั๋วเครื่องบินเหาะไปอเมริกาก็ได้ ภาวนาเห็นอะไรจึงเป็นความอศัศจรรย์เรื่องเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพูดผีปีศาจอะไรนั่นอย่าไปสนใจมันเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นบางคนภาวนามาจนกระทั่งได้สำเร็จอรหรันไม่เคยเห็นอะไรสักทีเห็นแต่กายกับใจของตัวเองเท่านั้นใครจะเก่งถึงขนาดกาหนดรู้วาระจิตของคนอื่นได้ หรือรู้เห็นสิ่งที่ตามนุษย์ธรรมดาไม่เห็นไม่ใช่เรื่องอศัศจรรย์มันอศัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าผู้ที่มีสติกำหนดรู้จิตของตนเองอยู่ทุกขณะจิตได้นี่ความมหาอัศจรรย์มันอยู่ที่ตรงนี้อื่นๆมันเป็นแต่เพียงผลพลอยได้ฤทธิทธิพลอำนาจใครจะสามารถดำดินบินบนล่องหนหายตัวได้มันก็เป็นแต่เพียงผลพลอยได้ ไม่ใช่สิ่งประเสริฐที่เราจะต้องการแต่เพื่อจะให้สมาธิของเราเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยและเป็นไปเพื่อความเยือกเย็นและเป็นไปเพื่อทางมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงศีลห้าข้อศีลห้าข้อเท่านั้นเป็นตัวสำคัญสำหรับนักปฏิบัติฝ่ายคราหัตสำหรับพระภิกษุสามเณรก็ต้องรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ ภาวนาเก่งเป็นอย่างไรการปฏิบัติสมาธิภาวนาถ้าหากว่าใครทำสมาธิเก่งจะทำให้เกิดผลดังนี้ 1. เคารพ บ, บูชาพ่อแม่รักพ่อแม่มากเคารพพ่อแม่มาก 2. มีเมตตาสงสารต่อสังคมถ้าตราบใดที่ยังแสดงตนเป็นศัตรูกับคนอื่นอยู่แสดงว่าปฏิบัติไม่ถึงธรรม สมมีความหมั่นขยันในหน้าที่การงานของเราที่เรารับผิดชอบอยู่จะไม่นึกว่างานพวกเนี้ยมันวุ่นวายเรื่องของโลกมันแค่นี้แหละใครไปคิดว่าเรื่องโลกมันวุ่นวี่วุ่นวายมันแค่นี้แหละนั่นแสดงว่าจิตไม่ถึงธรรมถ้าใครคิดว่าโลกนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาให้รู้ความจริงของมันโลกนี้เป็นสิ่งที่น่าต่อสู้ไม่ถอยหลังถ้าใครคิดอย่างนี้ แสดงว่ามีความเข้าใจถูกต้องภาวนาเป็นเป็นอย่างไรภาวนาเป็นเน็ต เราจะได้ความรู้สึกว่า 1. เราเคารพตัวเองเคารพสิทธิของตัวเอง 2. เคารพสิทธิของคนอื่นเมื่อรู้จักเคารพสิทธิตัวเองรู้จักเคารพสิทธิของคนอื่นมันเป็นคุณธรรมคุณธรรมอันเนี้ยถ้ามันแผ่ออกมาทางโลกมันจะเป็นกฎหมายปกครองบ้านเมืองถ้ามันเข้ามาทางในจิตใจ มันจะเป็นคุณธรรมคุ้มครองความประพฤติชั่วของตัวเองที่ว่ามันเป็นคุณธรรมกระจายออกไปเป็นคุณธรรมปกครองบ้านเมืองเนี่ยมันจะเกิดกฎเกณฑ์ของมันขึ้นมาเมื่อเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพสิทธิในการดารงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามนี่เราเป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐาน และยังเที่ยวไปแอบขโมยลูกสาวของเขาอยู่เนี่ยมันก็ไม่เคารพสิทธิสิแสดงว่าภาวนาไม่เป็นแล้วไม่เข้าถึงศาสนาจุดเริ่มของศาสนาพุทธอยู่ตรงที่ว่าพระองค์สอนให้มนุษย์สร้างความรักความเมตตาปราณีพอขึ้นต้นอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าคมเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันทุกคนนึกเสมอว่า